อวาดวัดป่ามะม่วงขึ้นไปยังชั้นบนของกุตินายขุนทองไม่รู้หายหน้าหายตาไปไหนหากท่านก็รู้ว่าเมื่อถึงเวลาที่ท่านจะไปบรรยายธรรมและสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติที่หอประชุมเขาก็จะมาทำหน้าที่แทนนายสมชายคือถือย่ามเดินตามมาส่งท่านท่านจัดการส่งน้ำอีกครั้งหลังจากสงไปเมื่อแปดชั่วโมงที่แล้ว ช่วงที่อยู่อินเดียท่านไม่มีเวลาสงน้ำมากนะักเพราะเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเดินทางต้องออกจากที่พักกันตั้งแต่ตีห้าทุกวันทั้งนี้เพราะพุทธสังเวชนียสถานแต่ละแห่งอยู่ห่างกันมากต้องนั่งรถเป็นวันจึงจะถึงอากาศเดือนกุมภาพันธ์ก็หนาวเหน็บเจ็บซวงผู้สแสวงบุญไม่ว่าจะเป็นพระหรือคฤหัไม่มีใครสงน้า หรืออาบน้าตอนเช้ากันเลยแต่ตอนเย็นนั้นหากไม่สมไม่อาบก็คงนอนไม่เป็นสุขเพราะเนื้อตัวเปลอะฝุน่นโยมบางคนไม่ได้คลุมศีรษะก็จะหัวแดงเป็นฝรั่งไปเลยเพราะถนนไม่ได้ราดยางมัดต่อยสมน้ำเสร็จท่านจัดการหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเพื่อจะจดบันทึกเรื่องต่างๆที่ได้สนทนากับหลวงพ่อในป่า อาจารย์ของท่านบนเครื่องบินเมื่อเวลาตีหนึ่งเ็จเศษเรื่องแรกของการสนทนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝึกตนของมนุษย์ซึ่งท่านได้ผ่านการฝึกตนมาครบท่วนกระบวนการแล้วและอาจารย์ของท่านก็ได้มอบหมายหน้าที่ให้ฝึกผู้อื่นต่อไปเรื่องที่สองสำคัญมากคืออีกยี่สิบปีข้างหน้าพระธรรมคำสอนจะถูกบิดเบือนโดยพระ แผลงๆเสื้อๆส้ๆนๆต่อแต่นี้ไปการเทศสอนหรือการบรรยายธรรมท่านจะต้องมีหลักฐานอ้างอิงว่าคำทรงสอนของพระบรมศาสดาที่ท่านอันเชิญมานี้อยู่ในพระไตรปิฎกบาลีเล่มไหนข้อที่เท่าไรหน้าอะไรภายหลังเมื่อมีผู้แต่งพระไตรปิฎกขึ้นมาใหม่หากไม่ตรงกับหลักฐานเดิม จะได้รู้ว่านั่นไม่ใช่คำส่งสอนของพระบรมครูผู้ทรงรู้แจ้งโลกสมพานวัดป่ามะม่วงทำงานไปได้ประมาณสามสิบนาทีหลานชายตัวดีก็ขึ้นมาเรียนว่าหลวงลุงฮะมีอาันรตุกกะมาขอพบอยู่ข้างล่างฮะตุกเกตตุกกะที่ไหนอีกล่ะก็เองจัดเวลาลงรับแขกเองจำไม่ได้แล้วหรือจำได้สิฮะสิบโมงเช้า กับบ่ายสองโมงแต่นี่เขามีเรื่องสำคัญจริงๆหลงๆไปพบเขาหน่อยนะคะคนดีคนดีเองลงไปบอกเขาว่าข้ามีงานต้องทำให้มาพรุ่งนี้สิบโมงหรือไม่ก็ บ, บ่ายสองท่านเจ้าของกุฏิพยายามรักษากฎทั้งที่คนตั้งกฎพยายามละเมิดเห็นหนอรายงานว่าท่านต้องลง เพราะนายขุนทองรับค่าจ้างจากเขามาแล้วลุงลุงได้โปรดเถอะหนูไหว้ละเขาก้มลงกราบปรลกปลกสามครั้งแล้วพูดต่ออีกว่าต้องเป็นเรื่องคอขาดบาดตายสำหรับเขาแน่เลยเขาจึงต้องฝืนกดไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายสำหรับเขารอกขุนทองแต่เพราะเขาจ้างเองห้ารจริงไหมเงินอยู่ในกระเป๋าเอง แม่ลุงลุงเนี่ยรู้ไปซะทุกเรื่องเลยก็ต้องโทษลุงลุงนั่นแหละอยากซื้อผ้าสารีมาฝากหนูมันไปเกี่ยวอะไรกับผ้าด้วยละ่ะถ้าปัญหามากนะักก็เอาคืนมาข้าจะได้เอาไปให้คนที่เขาไม่มีปัญหาท่านพระครูพยายามจะเอาชนะหลานชายตัวดีแต่เอตัวดีหรือตัวร้ายกันแน่ท่านเกิดความไม่มั่นใจ อ้อยเข้าปากช้างแล้วคืนก็โง่สิหลุงลุงล้านชายไม่ยอมลดละแล้วจึงอธิบายว่าก็ผ้าซาลีแสนสวยของหลงลุงซื้อมาฝากน่ะมันต้องไปตัดเสื้อกับกับโรงข้างในก่อนค่อยใส่ได้ไม่งั้นก็โป้ตายเลยที่จริงหนูก็ชอบโป้ๆอยู่หรอกถ้าได้สวมตับปิ้งทองคำไว้ข้างในแต่หลุงลุงก็ไม่ยอมซื้อให้สักที เพราะฉะนั้นเงินห้าร้อยเนี่ยหนูจะเอาไปเป็นค่าเสื้อแล้วก็กระโปรงชั้นในที่เหลือจะเก็บไว้ซื้อตัปปิ้งทองคําเอาละเอาละไม่ต้องยกแม่น้ำทั้งห้าไปบอกเขาว่าสองทุ่มข้าจะลงไปรออีกสามสิบนาทีอุ้ยขอบคุณค่ะ ขอบคุณหลวงลงใจดีใจดีนายขุนทองทำหน้าระเรื่อนนริกฤติกลา่กลาบปลกปหลกสามครั้งแล้วรีบลงบันไดไปแจ้งอคันตุกะทั้งสาท่านพระครูทำงานจนถึงสองทุ่มแล้วจึงลงไปรับแขกที่กุติชั้นล่างหยิบย่ามลงไปด้วยอคันตุกะที่มาขอพบนอกตารางเวลาเป็นบุรุษหนึ่งสตรีสอง คนทั้งสามกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วบุรุษจึงแนะนาตัวกับท่านว่าผมกับภรรยาและเพื่อนร่วมงานมาจากกรุงเทพครับต้องกราบขออภัยที่มารบกวนเวลาของพระคุณเจ้าแต่ที่ต้องมานอกตารางรับแขกเพราะเพื่อนร่วมงานของผมไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้จึงต้องมากรา บ, บรบกวนพระคุณเจ้าในยามวิการ เขาพูดพลางมองไปที่นายขุนทองเหมือนไม่ต้องการให้รับรู้เรื่องที่เพื่อนร่วมงานของเขาจะมาเรียนปรึกษาท่านพระครูเพราะเธอบอกว่าเป็นความลับสุดยอดท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าอาตมาต้องขออาภายัยอาตมาตั้งกฎไว้ว่าใครก่อตามที่มาพบอาตมาจะต้องมีคนของอาตมานั่งเป็นพยานอยู่ด้วย เพราะต่อไปในอนาคตจะมีคนสายร้ายป่ายสีจะจ่วงจับอาตมาจะได้มีพยานรู้เห็นแต่โยมไม่ต้องห่วงถ้าสิ่งที่โยมจะปรึกษาอาตมาเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดอาตมาก็จะไม่เปิดเผยให้ใครรู้ถ้าเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมอาตมาก็จะนาไปเล่าแต่จะไม่บอกว่าเจ้าของเรื่องเป็นใคร โยมก็จะได้บุญด้วยตกลงไหมล่ะอย่างนั้นก็ได้ครับแต่เรื่องที่จะกราบเรียนพระคุณเจ้าในวันนี้คงจะต้องให้เพื่อนร่วมงานเป็นคนเล่ากระผมยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดผมขอแนะนำตัวครับผมชื่อกุศลภรรยาชื่อทักษินาเพื่อนร่วมงานชื่อสุขขุมพรยังเป็นโสดเราสามคนเป็นอาจารย์ระดับเจ็ด สอนอยู่โรงเรียนเขาเอ่ยชื่อโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพที่มีชื่อเสียงด้านการกีฬาตอนนี้ปลดกเกษียณกันหมดแล้วครับผมกเกษียณเมื่อปี2526ส่วนภรรยาและเพื่อนร่วมงานกเกษียณเมื่อปีที่แล้วขอประทานโทษแล้วอาจารย์มีบุตรกี่คนท่านพระครูถามอาจารย์กุศลผมเป็นหมันครับหลวงพ่อ อาจารย์กุศลตอบตอนแรกคุณกุศลเขาจะไปขอเด็กจากโรงพยาบาลมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมแต่พอคิดไปคิดมาก็ต้องเลิกค่ะพระคุณเจ้าเพราะมีเพื่อนครูที่สอนโรงเรียนเดียวกับเขาไปขอเด็กผู้ชายมาจากโรงพยาบาลมาเลี้ยงปรากฏว่า น, นิสัยเกกงมะเรกเกเรไม่เรียนหนังสือคบเพื่อนไม่ดีแล้วก็ผลนสมบัติเขาจนแทบหมดตัว เพื่อนอาจารย์อีกคนก็ขอเด็กผู้หญิงมาเลี้ยงพอโตเป็นสาวก็คบผู้ชายเที่ยวไปนอนบ้านโน้นบ้านนี้ไม่ยอมกลับบ้านใช้เงินเก่งแต่เรียนหนังสือไม่เก่งดิฉันกับคุณคุศสก็เลยล้มเลิกความคิดที่จะเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมียอย่างเขามาอมอยู่กันสองตายายก็สบายกว่าอาจารย์ทักษิณาเล่าบ้างแล้วยังไงล่ะ จะมาขอลูกจากอาตมาหรือคงไม่ทันใช้แล้วกระมงังอยู่กันสองคนตายายดีกว่าอาตมาเคยเห็นนะคุณหญิงคนหนึ่งเข้ามาปรึกษาว่าจะไปขอเด็กผู้หญิงมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมอาตมาดูหน้าก็รู้ว่าจะถูกลูกบุญธรรมฆ่าเอาสมบัติก็ห้ามแต่เขาไม่เชื่อไปขอเด็กโรงพยาบาลสิริราชมาเลี้ยงพอโตขึ้น ก็ค่าคุณหญิงตายขนสมบัติพวกแกแหวนเงินทองหนีไปกับคนขับรถอัตมาจึงขอแนะนำว่าอย่าเอาลูกเข้ามาเลี้ยงอย่าเอาเมี่ยงเข้ามาอมเลยท่านแนะนำด้วยความปรารถนาดีค่ะดิฉันก็เลยเลิกล้มความคิดมาตั้งแต่ตอนนั้น ดิฉันมาวันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพอดีเพื่อนคืออาจารย์สุขุมพรเข้ามาชวนก็เลยมาเป็นเพื่อนเขาค่ะดิฉันได้ยินกิตติศัพท์ของพระคุณเจ้ามานานเพิ่งจะมีโอกาสได้มากราบวันนี้เองค่ะอาจารย์ทักษิณากราบเรียนอาจารย์สุขขุมพรจึงพูดขึ้นว่าดิฉันมีปัญหาจะมากราบเรียนถามพระคุณเจ้าเกี่ยวกับเนื้อคู่ค่ะ ในขุนทองกำลังจะ ก, กรีดออกมาทว่าเอามือปิดปากไว้ทันมิฉะนั้นค่าจ้าง500ร้อยบาทอาจถูกเรียกคืนก็คุณป้าคนนี้เป็นโสดและปลดเกษียณแล้วยังจะมาถามหลวงลุงเกี่ยวกับเนื้อคู่สติยังดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะอาจารย์พูดว่าอะไรนะอาตมาได้ยินไม่ท น, นัดท่านพระครูมองหน้าอาจารย์สาวโสด ที่ปลดเกษียณมายังไม่ทันครบปีเพราะรู้สึกไม่แน่ใจท่านอาจหูเฝื่อนไม่ก็ตาฝาดหรืออาจหูฝาดไม่ก็ตาเฟื่อนอย่างใดอย่างหนึ่งอาจารย์สุขุมพรจึงพูดชัดๆช้าๆ้าว่าคืออย่างนี้ค่ะพระคุณเจ้าดิฉันเป็นโสดมาเนี่ยไม่ใช่เพราะไม่มีใครมาจีบนะคะ มีคนมาจีบมากมายก่ายกองเลยค่ะก็ดิชันสวยคือตอนสาวๆนะคะ่ะแต่ตอนนี้สวยไปหมดแล้วค่ะเพราะแก่นอกจากสวยแล้วยังรวยดิชันเป็นลูกสาวคนเดียวของเตี่ยกับแม่เตี่ยเพิ่งเสียไปเมื่อสองปีที่แล้วทิ้งมรดกไว้ให้กับแม่ดิชันมากมายกินไปทั้งชาติก็ไม่หมดเพราะเงินสดในธนาคารก็10ล้าน นอกจากนี้ยังมีอสังหาริมทรัพย์นับได้กว่า10ล้านตอนดิ่ฉันเป็นสาวใครมาขอเตียก็ไม่ยอมให้กลัวว่าเขาจะมาหลอกเอาทรัพย์สมบัติดิฉันก็เลยต้องเป็นโสดแต่ดิฉันก็ชอบเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งแอบรักเขาข้างเดียวค่ะที่ต้องแอบรักเพราะเขามีภรรยาแล้วดิฉันกลัวผิดศีลข้อสก็เลยเก็บเป็นความลับไว้คนเดียว ทีนี้ตอนปลดเกษียณเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาดิฉันไปสแสวงบุญที่ประเทศอินเดียกับเพื่อนที่เคยเรียนมัธยมมาด้วยกันเขาก็เป็นอาจารย์เหมือนกันแต่สอนคนละโรงเรียนแล้วเขาก็เกษียณพร้อมดิฉันอาตมาก็เพิ่งกลับจากอินเดียเมื่อเช้านี้เองท่านเจ้าของกุฏิพูดขึ้นหรือคะพระคุณเจ้าไปกับทัวอะไรคะ อาตามาไปกับสุดที่ทำทัวร์ทัวร์เดียวกันเลยค่ะเขาบริการดีนะคะผู้นำทัวร์เขาสวยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่เคยดุลูกทัวร์เพื่อนที่เขาชวนไปเคยไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ไปกับอีกทัวร์หนึง่งผู้นำทัวร์ดุยังกับเสือกับยักษ์เขาเลยเข็ดไม่ไปทัวร์นั้นอีกทีนี้ดิฉันก็ไปได้ความคิดดีๆมาจากอินเดียค่ะ อาจารย์จะไปบวชจีอยู่อินเดียหรือท่านเจ้าของกุฏิถามยิ้มยิ้มเปล่าหรอกค่ะดิฉันยังไม่อยากบรรลุนิพพานในชาตินี้ขอมีสามีก่อนก็พระพุทธองค์ยังทรงอภิเศกสมรสกับพระนางพิมพานี้คะแล้วก็มีพระโอรสคือพระลาหุนกุมารหลังจากนั้นจึงเสด็จพิเนศกรม และก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือต้องเป็นไปตามขั้นตอนใช่ไหมคะแล้วว่าอาจารย์จะพิเศษสมรสก่อนและค่อยบวชชีอย่างนั้นใช่ไหมแต่อาตมาว่าคงตามขั้นตอนแบบพระพุทธองค์ใหม่ได้เพราะอย่างน้อยที่อาตมาเห็นคืออาจารย์คงมีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาใหม่ได้ท่านพระครูย้าวอย่างนึกสนุก เกิดมาจนอายุย่างห7ปีเข้านี่พ่งจะมีเรื่องประหลาดประหลาดมาให้รู้ให้เห็นขณะนั้นเวลาสองทุ่ม15หเหลือเวลาอีก15นาทีท่านจะต้องเป็นบรรยายเรื่องความลับที่ถูกเปิดเผยให้ผู้ปฏิบัติธรรมฟังจึงบอกอาจารย์วัย60สเศษว่าขออาภายัยอาจารย์ช่วยรวบรัดหน่อย เพราะสองทุ่มครึ่งอาตมาต้องไปบรรยายที่หอประชุมอาจารย์สุขุมพรจึงเล่าอย่างร่วบรัดว่าหล่อนไปได้ความคิดดีๆมาจากอินเดียที่พระวิทยากรเล่าให้ฟังคือธรรมเนียบผู้หญิงขอผู้ชายแต่งงานและเป็นฝ่ายจ่ายค่าสินสอดให้ฝ่ายชายด้วยหล่อนมีเงินมากมายที่จะจ่ายค่าสินสอดหากหล่อนจะคุยกับภรรยาของคนที่หล่อนหลงรักว่า จะให้ค่าสินสอดเป็นเงินสองล้านบาทเพื่อขอให้ภรรยาหย่ากับสามีแต่ไม่ต้องจดทะเบียนกับหล่อนก็ได้หรือจะจดหล่อนก็ไม่ขัดข้องแต่หล่อนไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ชายที่หล่อนรมรักเป็นใครจึงขอให้ท่านพระครูช่วยดูให้และช่วยเจรจากับภรรยาของฝ่ายชายด้วยท่านพระครูรู้สึกว่าเป็นงานหนักที่สุดเท่าที่ท่านเคยพบมา หากก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าอาจารย์สุขุมพรยังสติดีอยู่หรือว่าเพี้ยนไปแล้วจึงวานเพื่อนตายคือเห็นหนอช่วยตรวจสอบเห็นหนอก็รายงานเดี๋ยวนั้นว่าสมัยอยุธยาตอนกลางคนทั้งสามเคยเป็นสามีภรรยากันอาจารย์กุศลเป็นภรรยา อาจารย์ทักษินาและอาจารย์สุขุมพรเป็นสามีเพราะทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันแล้วเกิดชอบผู้หญิงคนเดียวกันจึงตกลงกันว่าให้ผู้หญิงเป็นคนตัดสินใจผู้หญิงก็ตัดสินใจไม่ได้เพราะรักผู้ชายทั้งสองคนนั้นเท่าๆกันจึงตกลงยอมเป็นภรรยาทั้งสองคน มีลูกชายลูกสาวกับสามีสองคนหัวปีท้ายปีต้องทุกข์ยากลําบากกายในยามตั้งท้องและคลอดลูกจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าชาติหน้าขอเกิดเป็นผู้ชายและขอให้เป็นหมัน้นส่วนสามีสองคนก็ขอให้เกิดเป็นผู้หญิงและก็เป็นภรรยาของเขาทั้งสองคนเรื่องก็มีเท่านี้แหละ จเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงรู้เรื่องราวความเป็นมาของบุคคลทั้งสามจากเห็นหนอแล้วจึงพูดขึ้นว่าอาตมาคงให้คำแนะนำอะไรใหม่ได้ไม่ใช่ไม่อยากช่วยอาจารย์หรอกนะแต่อาตมาเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนาต้องไม่ละเมิดพระวินยัยคือถ้าอาตมาบอกหรือแนะนำอาจารย์อาตมาก็ต้องอาบัตสังฆาทิเศษ สิกขาบทที่ห้าคือชักสื่อเป็นอาบัตหนักหรืออาบัตชั่วยาอาตมาต้ตองขออภัยที่ไม่สามารถทำตามที่อาจารย์ขอคงเข้าใจอาตมานะค่ะพระคุณเจ้าถ้าเช่นนั้นดิฉันขอพูดตรงไปตรงมากับเพื่อนร่วมงานของดิฉันตรงนี้เลยพระคุณเจ้าจะต้องอาบัตข้อชักสื่อไหมคะอาตมาฟังได้ แต่ออกความเห็นใหม่ได้ท่านพระครูตอบอาจารย์สาวโสดวัยหกสิบเศษคิดว่าเป็นไงเป็นกันจะพูดต่อหน้าพระคุณเจ้านี่แหละตัดสินใจแน่วแน่แล้วจึงพูดถ้าว่ายังไม่ทันเอ่ยปากอาจารย์ทักษิณาก็พูดแสงขึ้นว่าพรเธอชอบใครในโรงเรียนหรือแล้วเธอจะจ่ายสองล้านจริงหรือจริงสิฉันวางแผนไว้นานแล้ว แต่อายเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆเลยไม่กล้าบอกใครแต่ตอนนี้ฉันกเกษียณแล้วไม่ต้องพบหน้าเพื่อนร่วมงานแล้วนี่จึงชวนเธอกับอาจารย์กูสลมาปรึกษาพระคุณเจ้าเอาอย่างนี้ฉันไม่รู้ว่าเธอแอบชอบใครที่โรงเรียนแต่คงไม่ใช่พอ อ, อของเราหรอกนะถ้าเธอบอกจะขอแต่งงานกับพออฉันจะคัดค้านหัวชนฟ้าเลย เขารู้กันทั้งโรงเรียนว่าพอออของพวกเรานะ่ะขี่เหล่าเจ้าชู้ขอรับชั่นติดการพ น, นันฉันไม่อยากให้เธอต้องถูกเขาพลานหมดตัวตอนแก่เอาอย่างนี้ดีไหมฉันอยากช่วยเธอเธอแต่งกับคุณกุศลไหมอย่าว่าฉันขายสามีเลยนะฉันคิดแค่ล้านเดียวเท่านั้นอาจารย์สุขุมพรดีใจแทจบจะ ก, กระโดดกอดคอเพื่อนรัก ที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ชั้นมัธยมเรียนมหาวิทยาลัยก็อยู่คณะครุศาสตร์ด้วยกันแถมสอบบรรจุเข้าทำงานที่เดียวกันอีกเพื่อนดีๆอย่างนี้จะหาที่ไหนได้อีกอาจารย์กุศลเองก็แอบพึงพอใจอาจารย์สุขุมพรมาตั้งแต่พบหน้ากันครั้งแรกแต่ไม่กล้าคิดไกลไปกว่านั้นด้วยเกรงจะผิดศีลข้อกาเม แล้วเธอจะไม่ถามสามีเธอรึอว่าเขาโอเคหรือเปล่าอาจารย์สุขุมพรบอกเพื่อนวัยเดียวกันอาจารย์ทักษิณาจึงสั่งสามีว่าคุณไปอยู่กับเพื่อนฉันนะเราอยู่ได้กันมาเกือบ40ปีแล้วคุณคงอยากจะเปลี่ยนไปอยู่กับเพื่อนฉันบ้างบอกตามตรงว่าฉันอยากจับเงินล้านจะเอาไปให้หลานเรียนปริญญาเอก แล้วพูดกับเพื่อนที่เป็นเจ้าของเงินว่าฉันมีหลานสองคนลูกพี่สาวคนหนึ่งลูกน้องชายคนหนึ่งไม่เป็นไรฉันจ่ายสองล้านอย่างที่พูดมาแก่จนผมสองสีแล้วพูดคาไหนต้องเป็นคานั้นจริงไหมคะพระคุณเจ้าแล้วแต่จะตกลงกันเองเธออาตมาขอฟังอย่างเดียวท่านเจ้าของกุฏิพูดอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนศีลของบรรพชิตซึ่งมีทั้งหมด227ข้อหรือ227สิขาบทว่ายังไงล่ะคุณนี่ฉันไม่ได้ผลักไสไล่ส่งคุณนะแต่ฉันบอกไม่ถูกว่าทำไมจึงยอมยกคุณให้กับยายพรโดยไม่มีความเสียดาย หรือหึงหวงเหมือนภรรยาทั่วๆไปมันเกิดความรู้สึกคล้ายๆกับว่าเราสามคนเคยอยู่ด้วยกันมาเป็นไปได้ไหมคะพระคุณเจ้าที่ดิฉันสามีและเพื่อนเคยผูกพันกันมาแต่ครั้งอดีตชาติไม่ใช่ดิฉันอยากได้เงินจนถึงกับต้องขายสามีนะคะถึงเพื่อนจะขอเปล่ า, ลาโดยไม่ต้องให้ดิฉันแม้แต่บาทเดียวดิฉันก็จะยกให้ค่ะ ท่านพระคกรูยังไม่ทันได้ตอบอาจารย์กูสลก็พูดขึ้นว่าผมก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับภรรยาครับผมยอมรับว่าวันแรกที่พบอาจารย์สุขุมพรผมก็รู้สึกชอบเขาแต่ผมก็ไม่เคยบอกให้ใครรู้สู้เก็บไว้คนเดียวจนกระทั่งเธอชวนมากราบพระคุณเจ้าเอาละตกลงกันได้แล้วใช่ไหมอาตมาจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ อาตมาจะบอกเคล็ดลับให้อย่างหนึ่งว่าถ้าอาจารย์อยากรู้เรื่องอดิตชาติที่เรียกว่าระลึกชาติได้ก็ให้พากันมาเข้ากรรมฐานอาตมารับรองว่าในสามคนนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่จะระลึกอดิตาหหลังได้ท่านหมายถึงอาจารย์กุศลเพราะบุรุษมักมีสมาธิดีกว่าสตรี สตรีเป็นเพศที่ชอบคิดโน่นคิดนี่คิดเล็กคิดน้อยคิดหวาดระแวงแคลงใจสารพัด ท, ที่จะคิดเลยทำให้จิตตั้งมั่นได้ยากอาจารย์สุขุมพรหยิบเช็คธนาคารกสิกรไทยมาเขียนให้อาจารย์ทักษิณาโดยเขียนคำว่าสดหลังคำว่าจ่ายและสองล้านบาททวนหลังคำว่าบาทแล้วลงลายมือกำกับ จากนั้นจึงหยิบธนาบัตรที่เตรียมใส่ซองสีน้ำตาลไว้สองแสนบาทถวายท่านพระครูค่าในหน้าหรือท่านถามยิ้มยิ้มเปล่าค่าพอดีดิฉันอธิษฐานจิตก่อนมาว่าถ้าสำเร็จจะทําบุญกับพระคุณเจ้าสองแสนบาทของดิฉันต้องรอไปเบิกก่อนนะคะยังไม่ทราบว่าเช็คจะเด้งหรือเปล่า ดิฉันขอปวารณาไว้ว่าจะถวายพระคุณเจ้าหนึ่งแสนและให้คุณกุศลถวายอีกหนึ่งแสนเป็นการทำบุญร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายคิดๆก็ใจหายเหมือนกันพรเธอต้องมาเข้ากรรมาฐานเป็นเพื่อนเรานะคุณกุศลด้วยไปมาหาสู่กันเหมือนเดิมนะอย่าทิ้งเรานะอาจารย์ทักษิณาพูดน่าสงสาร พยายามกลั้นน้ำตาไวไม่ให้ไหลออกมาอาจารย์สุขุมพรตอบเพื่อนว่ารับรองเอาอย่างนี้ไหมเธอย้ายไปอยู่บ้านฉันเลยดีไหมจะได้ช่วยกันดูแลแม่ด้วยที่ว่าภรรยาใหม่ชวนว่าที่ภรรยาเก่าวยาเลยเธออุตส่าห์จ่ายมาตั้งสองล้านถ้าฉันไปทำอย่างนั้นน่าเกลียดตายเลยเอาเป็นว่า เราไปมาหาสู่กันเหมือนแต่ก่อนดีกว่าแล้วหันไปพูดกับท่านเจ้าของกุฏิว่าพระคุณเจ้าคะดิฉันสามคนขอสัญญาว่าจะพากันมาเข้าปฏิบัติธรรมหลังจากเสร็จธุระแล้วและดิฉันจะนำปัจจัยมาถวายพระคุณเจ้าหนึ่งแสนบาทคุณกุศลถวายอีกหนึ่งแสนบาทคะ่ะดิฉันและคณะขอกราบนมัสการลา และขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงที่พระคุณเจ้ากรุณาเป็นพยานให้พวกเราคนทั้งสามกราบเบญจางคระดิสสามครั้งแล้วลุกออกไปอาจารย์สุขุมพรหยิบธนบัตรใบละห้าร้อยบาทให้นายขุนทองอีกหนึ่งใบแล้วจึงเดินตามสองสามีภรรยาไปขึ้นรถเบนที่เธอเป็นคนขับกิจการรุ่งเรืองดีเหลือเกินนะวันเดียวได้ตั้งพัน ท่านพระครูย้าวล้านชายแต่ก็ยังแพ้หลวงลุงก็หลวงลุงได้มากกว่าหนูตั้งสองร้อยเท่าน่าจะแบ่งเป็นค่าในหน้าให้หนูมั่งล้านชายพูดทีเล่นทีจริง